ว่าสงครามโลกก็คือความโชคร้ายที่นา่าชิดหายของสัสตว์โลกอนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดเราคติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่ครับติดใจอยู่เขท่าเขาขันก็คือการเจ็บไข้ายตรวจปวดหัวตัวร้อนมลพการต่างๆมันก็เรียกว่าสงครามมันท่ายาเขาไปปราบปราบถยาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตา ย, ยามนันก็สงครามหนี่งสงครามทาาขัน สงครามโลกมันก็รื่องถายเรืงขันเรื่องทําลายสมบัติเป็นทองต่างๆทำลายจิตใจคุ้มกันลกันสงครามภายในถ้าเกิดระหว่างพิเล็กกับใจนี้เป็นเรื่องทําลองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันนฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้ของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคุเยเลืดนี้มันมีมากมันลุกลามขึ้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสูงอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเื่องน้ว็เนแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราทเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะซ้บได้ซึ่งความเจ็บไข้ได้รวดปรากฏขึ้นมาก็เอาชาเข้าไปแก้ไขรื้อปรปับัปนีเรื่อมีครั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระว่างใจระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการทำละกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยบย่ำทําลายไปเรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหย่างมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรื้เรีนขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภายจาก่ใจิตใจของตนให้มบาบางลงไปการแก้ขไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกประสงค์สามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน หาคขณะใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลือชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุเกเย็นใจที่เหลือเหมาะไปช่วการเช่วเวลาเรามีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระไม่ด้วยการต่อสู้กันโดยวคธีการต่างๆเช่นเดินเป็นกรมนั่งสมาธิภาวนาแาก้ไขตางสติปัญญา อุบายของเราถ้ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับระงับดับลงไปเป็นนัมสกนัดถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลาบากอุบายที่จะสู้กับกิเลส ก, ก็คือสติปัญญาทะเบียงก็คือความภาพเปลี่ยนเป็นขนมเสมอ ความมุสาพยายามความ อ, อกความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยมีกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหักที่เละทั้งหลยงหาเยบเบาบางจากอีกใจไทเชลยมีความร่มเย็นเป็นสุขม่เียการต่อสู้กันระหว่างที่เล ก, กับทํา ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเมื่อมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่เกิดขึ้นจากาอำนาจของเจลิตถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลําบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกั บ, บข้ารบในสงครามก็ตางก็ยังพอมีทางที่จะรับ ชยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขคนสบายใจบ้างชัยชนะของพวกเราพุทธทางก็ดีธรรมังสงองครั้งก็ดีทานการสงสามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรสส ง, ง 6, สามหกพระพรรษาคงชทัยดิปรากดขึ้นมาเป็นธรรมังสนังข้าสามนี้กพวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงสามตั้งแต่วันอือสมบัติ ดูเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคาววรวะเยื่อเอือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำลังออกหมวดในพุทธศาสนาแลา้วตนั้งหน้าบําเพ็ญตนเพื่อชำระที่เหลือวิปรากปราณที่เหล็ ก, กซึ่งมีความในจิตใจให้หมดไปโดยลํำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ขึ้นมีนอยู่ในสฐานที่ต่างๆอาการต่างๆ มิาบทต่างๆเห็นในป่าในเขาลูมไม้ทายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของกา ร, รพุ่งพิงไทยกับพิเรศแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล้นหาเอาตามอัิยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาพิงเด็ปรากฏก็เป็นทั้งคังท น, นังคาถามคือผู้ชนะในสมครามระหว่างจิต กับรรมหรือระหว่างที่หลุกับธรบรมในกลางอารมณมั ส, ส, ส, สุขในภายในจิตใจปรากฏเป็นสถานะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนานะสามนี้ทั้งสามสถานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับสยานะาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่ า, มมาพุทธวิสัชมันต้องมีความหมายอะไรที่นั้นเพื่อให้ความหมายคำว่ า, มมาพุทธวิสัชน์ได้แต่ลุจ้าหลอกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประทิปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันดูเวลานี้การมาถีงสถานที่บำเพ็ญ น, นี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมติมิยงกันต้องมาถึงสถานที่ลําบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมืขอด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็กีนาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเป็นต่างกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าตัพงตัปฏิบัติ ความจัดเล็กซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความมื่นร่งมันเป็นด้วยความพอพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามพรทบบตทของเระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างที่เล็กกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจที่เล็กก็มีที่ใจการรบการจูงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราพุ่งพลิ้วไทยกับทิ่เลส จิตใจเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของพิเรศกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลำบนผลที่จะ เ, เกิดขึ้นจากความลําบากเพราะความภาเยือนหรือการรบ ก, กับพิเดชนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแทะอ่อนแอเกิดขึ้นมา เพื่อมีความทอดถอนมีความอิจนาอาใจต่อความท่าเปลี่ยนที่จะก้าวไปโดยลําดับับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงจะรู้ถึงธงดั่งพระพธิสัตว์ท่านยกไว้ในแทรสูรูปหกทิพโสขวาวหรืออ่านเยรุขมูลเอราว่าขึ้นญาตาเร็วทิฆะวุเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมอยู่ในลุขมูลโลไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสตร์าเข้ามาสนิทจิตแน่อยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความตัวที่เกิดบิภพานิจนจ ใ, นใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเฉลกสะห้าอายรยาทะันพระกักสู หากอัถะพุทธังเสเรยาถะหากว่าละลูกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงลึกถึงพระธรรมขึ้นาดแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีภายในจิตใจหากละรู้ถึงมาทํายังไม่หายไปแล้วเพึงละรู้ถึงพระสมเถิดเนื้อภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะ้เกิดความมั่นใจในเคอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเป็นลูกขมูลต้ไม้หรือเรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามถุณถือหลักถือพระพุธธะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะรัตนะใดก็ต า, ามเป็นหลักภายในปิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชฉยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีใน จ, จิตใจแล้วจะ เห็นไทยคณะประดูลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลยิ่งที่จะให้เกิดความคลัวคำท่านพึงงวันไหวต่างๆก็ได้แก่ที่เดชซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกันกบครั้งพุทธกาล การนึรกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรยัยอันเดียวกันจงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเราอยู่ในถ า, านที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้ อ, อันแอขึ้นมาให้ น, นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศฐฐาสดาดําเนินด้วยความทอดแท้ อ, อันแอะที่ทอถอยอย่างเรานี่หรือดําเนินแบบไหน เราพึงระลึก อ, อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึออกกิจการขงเราย่อมขึ้นหน้าลึขกขอยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้แรงมันถูดลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมสำหรับเป็นของกระเสรศิฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเรานี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไม่จริงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมา่ง่ายความอ่อนแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งเห่านี้เป็นของกระเสร์ตแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งนี้ทําไมถึงไม่ประเสิร์ตกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียมกันว่ควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแแทอ่อนเอยยึดเอาหลักความเฉ่งเฉ๋งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นขอ ง, ง, ขอ ง, ง, งกระเสริฐได้สังฆาสนังฉามิของพวกเรา ท, าท่านทอดแแทอ่อนเ้หรือ ควต่อแท้ อ, อันนี้กับสังขัรสนังกระฉามนี้มีเข้ากันได้ไหมความต่อแท้อแอรกเรื่องของพิเรกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสารณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตที่ตนให้มีขึ้นไม่ได้มีเป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองรู้ซักกันระหว่างพิเรกกับธรรมพิเรกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือพิเรกแต่มันฉลาดสําหรับต่าสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แค้สิ่งอันนี้ออกได้เราขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบ ก, กับวิเลสเราจะาความกระดวกสบานมาจากที่ไหนแค่ทํางานธรรมดาก็ยังลําบาก น, นี้การสู้กับวิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภานาจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจกักรนี้มาถึงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งๆจึ่งรอนแล้วทั้งแต่มีสิ่งเหนี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเตาหรือทำละออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไหมห่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตัดเยบสกายจึงต้องพยายามขุดกำลังความสามารถทั้งกปีปัญญาทั้งความภาคเยน็นด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาามัตตธรรมเพื่อสิ่ง น, นี้ก็เลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริรัทร์มีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งพรมีเราระลกไว้เ ส, สมอในการปฏิบัติธรรม เกิเลสนั้นคนะอยกระชิตอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่พยาบทใดประการกิเลสจะต้องคอยกระชิตตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระติกขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงกันไปได้ ยพระพุทธเจ้าพอดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านล ำ, ำบุญลำบานลำบากหลักกรรมมา็นชุดแคบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่นเนาเป็นพุกธทางธรรมทางสันาานิบา้ของพวกเรานี่เราผู้ดําเนินตามท่านจทงก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลําบากลาบน่นบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับอู่ต้องการทําอันตรศิศมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอร์มาเป็นหลักตป็นเกณมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเร า, ทาๆทั้งๆไม่มีน ใ, นใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งอย่างนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันเมื่อมีใครดียิ่งกว่ากันไปไ่ายถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตามๆนี้ออกไปแล้วค่อยเด่งขึ้นไปโดยลําดับลำดับจิตไม่ อ, อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวจิตเล็กก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระทิพความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปทางต่ำเมสมอปติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตัง้งทานขีดขวางสิ่งเหล่า น, นี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความ ส, สว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นปัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็สิ่งที่ร้าสาระก็คือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้าสาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความจเจริญภายในจิตใจของเรา เป็นหลักใหญ่ของการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเยียวย่ําทํำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปรสรรคทำนักไม่เรื่องไป ความตายนั้นนะ่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันนีใคร ย, ยิ่งหย่างกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนเ็เป็นชั่วโมงจวนเนะมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น ที่วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้เดียกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดั้นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการแน่ต้องพักผาจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระโทธิจารย์สอนว่า ส, สัตว์เพรศตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็จะเป็นเพื่อนทุกข์กข็จะเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหอนตุตรงนั like, ้นในสัาบัต้าเย็นสิทิ์ันจะได้มีเยนแจกันในกันอเมยาประชาหอนตุตรงนันสัญาบตอาค่าอาหาอย่าได้เบียดเบียนกันสนราาหนตุสุขีจานังเผหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดย่วกันเถิดนี่กาสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกคนแจกจตายด้วยกันนั้นให้เหินอกเดินใจกัน ให้มีความเมตต า, งาสงสารจึงกันการเพราะอย่างไงยังไงเราก็มันเหมือนกับจัตที่เขาตีกลาวไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ประทามทาุ่งท่าถนนทน่งทางก็ดีตีกล า, าว้แล้วโอ้จัตตัวนี้เป็นวันนั้นจัตตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้อบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกลาว ม, มาเรื่อยอยเรื่อยเขาเอางฆ่าจัตไอ้เราเมื่อกตีกลาวไว้แล้วแต่ว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกราวไว้ววไหมด เป็นตัวงปลว่ากรานี่ไมไ่เหมือนอย่างกราเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นกราหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทอดื่มควนควายบําเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่ิดเป็นสม้งบัดของพญามาจราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเจ้าดายอย่าไปหนงหัวหนึ่งหัวก็เป็นความลําบากลําบนตหนหเกล่าปล่อยกลางความเป็นจรินนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำ ร, ร, รู้ตามประจีนปล่อยลงตามสภาพแของโลกอนิจจังทุกขังนาตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังนาตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องยึงดต้องยึดกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์อนิจังทุกขังนาตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก จีตจะมีความเบาสว่างขระจ่างแจ้งสลัดปัดยิ้ได้ทั้งหมดจิต ก, ก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกหองไตรลกณนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานจะ เ, ออเรียกว่าอะไรก็ได้ออไถึงขั้นนี้แล้วประมาณเทน่นั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่า น, น, นแต่ทุกปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่หน่อยเพลียเพลิดมาคอยจะ อ, อะไรนะไม่ใช่มไม่หันจะหันหันซุกอันนั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิ้หัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยมาเอาละขอฤทิติตเหมือนกันใหันีอนะีกดอกเฮ้ยราวังแล้วใส่กรงทองให้เขาพุดขัมารยาตรีพดขัมารยาลรงฟังีดกว่าพุดหันมารยาลิ ง, <c oughs> พ, ลงพูดอะไรๆก็ให้ิีตังตก็ปลมรีใช้เวลา นีราจะโดนตนไหนแล้วก็ไปป่อ ย, ยอไปว่งันพอปล่อยแล้วก็ลีนตัว น, นี้ให้ปลแ ล, ล้วปล่อยจะฝงลนพอป ล, ล่อยลนตอนนี้โดดลงน้าโดดลงน้ํแล้วยุ่งไปหมดแล้นี้ทาไมไปต้ท ง, งทั้งหายก็เหม็นลงไปเล่นน้ากันนงแล้ว เ, เขามันะเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น แต่มันจําเป็นมาอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันช้อนอะไระให้เราแล้มันยุ่งกันหมดแล้วนี่สกรปรกเราต้องมาล้างใหม่ซะก่อนหมดเลยเราถึงจะเข้าหมู่เพื่อนได้ว่าฟังดีนะ อ, <laughs> อ่าเออว่าง น, น, นี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่กับอย่างที่พูดแต่ทีนี้เข้าใจไหม อ, อืมนันสกระปะกรกเรื่องโลกอืมถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไ้ล้างกันอยู่ทั้งวันเล่ยล้างนั่นเหมือนกับลิงลิงมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งอย่างนั้น ดูรู้สีเกียรฝั่งก่อนของโลกเป็นไงหมดแล้วอะไรนิดาจาด์หมดแล้วไง